โสตาปฏิยังคะองคุณของพระโสดาบันข้อที่สสุตตแปลว่าสิ่งที่ได้สดับหมายถึงความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังการสดับเรื่องราวข่าวสารการอ่านการเล่าเรียนอย่างไรก็ตามความรู้ที่ได้จากการศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆเกี่ยวกับการธรรมาฮาเลี้ยงชีพ และการประกอบกิจต่างๆในโลกแม้จะเป็นสุดตะแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับความเป็นอริยส า, าวกสำหรับความเป็นอยู่และกิจการทั้งหลายในโลกนั้นบุคคลหนึ่งหนึ่งอาจมีสุดตาในศิลปะวิทยาเพียงอย่างหนึ่งก็พอสำหรับการดำรงชีวิตคนหนึ่งก็มีสุดตาเนื้อเรื่องหนึ่งต่างคนก็ต่างสุดตากันไปสุดตาของคนหนึ่ง ไม่จำเป็นสำหรับอีกคนหนึ่งไม่มีสุดตาใดที่จำเป็นสำหรับทุกคนเสมอเหมือนกันนอกจากนั้นสุดตาประเภทนี้ยังไม่ใช่สุดตะที่ปราศจากโทษแม้ว่าโดยความมุ่งหมายเดิมสุดตาเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกประสบอิสรภาพและมีความสุขแต่มีบ่อยครั้ง ที่กลับเกิดผลตรงข้ามกลายเป็นเครื่องมือสร้างปัญหาก่อความทุกข์ให้หนักและซับซ้อนแก้ไขา ย, ยากยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่เป็นสุดตาที่เต็มความหมายในที่นี้สุดตาที่เป็นคุณสมบัติของอริยส า, าวกนั้นหมายถึงความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนเพื่อให้รู้จักวิธีที่จะดาเนินชีวิตให้ดีงาม ทำให้รู้จักใช้สุตตาอื่นๆมีวิชาชีพเป็นต้นไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นส่วนเสริมสำหรับปิดกั้นโทษช่วยทำให้สุตตาอื่นมีคุณค่าเต็มบริบูรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาตามความหมายที่แท้จริงเป็นคุณด้านเดียวยิ่งกว่านั้นสุตตาอย่างนี้เท่านั้น เป็นความรู้ที่ทำปูตุชนให้กลายเป็นอริยะหรืออริยชนได้สุดตานี้ก็คือความรู้ในอริยธรรมคือหลักความจรงิงความดีงามที่อริยชนแสดงไว้หรือคาแนะนำสั่งสอนต่างๆที่แสดงหลักการครองชีวิตประเสริฐชี้มักคาไปสู่ความเป็นอริยชน สุดตาในศิลปาวิทยาต่างๆจะต้องมีสุดตาในอริยธรรมนี้ควบหรือแทรกอยู่ด้วยเป็นส่วนเติมเต็มเสมอไปจึงจะพอให้เกิดความมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาไม่ใช่เครื่องมือสร้างเสริมปัญหาอย่างไรก็ตามสุดตาทุกอย่างรวมทั้งสุดตาในอริยธรรมแม้จะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง แต่ก็ยังเป็นเพียงความรู้อย่างคลังสำหรับเก็บสะสมวัตถุดิบยังไม่สำเร็จกิจแท้จริงอย่างดีถ้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นความรู้ที่ย่อยเข้าเป็นของตัวเองแล้วที่เรียกว่าทิฏฐิหรือความรู้ระดับทฤษฎีซึ่งก็ยังไม่เพียงพอจะต้องนำไปใช้ให้เป็นอุปกรณ์ของปัญญาซึ่งเป็นความรู้ระดับแยกแยะวิจัยวินิจฉัยและจัดการ โดยนำไปปฏิบัติตามหลักที่ว่าให้หลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติจึงจะสำเร็จผลในการใช้งานอย่างแท้จริง